ชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้สมบูรณ์ก็ต้องมีที่พึ่งที่สมบูรณ์ชีวิตของเราต้องการที่พึ่งอยู่สองส่วนด้วยกันคือที่พึ่งทางร่างกายกับที่พึ่งทางใจเพราะเรามีส่วนประกอบสองส่วน มีร่างกายที่เรามองเห็นกันและก็มีจิตใจที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นตัวประกอบที่สำคัญเป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายของเราจะมาที่นี่ได้ก็ได้รับคำสั่งจากใจใจคือผู้รู้สึกนึกคิด ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาว่าวันนี้มาวัดมาทาบุญพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดใจกับร่างกายก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถคนขับกับรถยนต์นี้เป็นคนละส่วนกันรถยนต์เป็นผู้รับคำสั่ง ของคนขับรถยนต์คนขับต้องการไปไหนมาไหนก็สั่งให้รถยนต์พาไปคนขับขึ้นรถสตาร์ทรถเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งบ่อยเบรกรถก็วิ่งไปอยากให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็สั่งให้รถทำตามคำสั่งนี่คือชีวิตของพวกเรา ชีวิตของพวกเรามีสองส่วนมีร่างกายแล้วก็มีใจมีจิตจิตใจผู้ขับผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนถึงจะอยู่ได้เป็นปกติจิตใจก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนที่จะทำให้จิตใจอยู่อย่างปกติสุข เหมือนกับรถยนต์ก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนคนขับรถยนต์ก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนรถยนต์นี้ต้องมีน้ำมันมีน้ำมีลมคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ร, รถยนต์ถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนได้รถยนต์จึงต้องจอดแวะตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆื เพราะถ้าไม่จอดแวไม่เติมน้ํามันไม่เติมน้าเติมลมเดี๋ยวรถก็จะวิ่งไม่ได้ส่วนคนขับรถก็ต้องเติมอาหารเติมน้ําเหมือนกันเวลาจอดแวาสถานีบริการเติมน้ํามันเติมลมเติมอะไรคนขับก็อาจจะไปเติมอะไรทางร่างกาย ถ้าต้องการอาหารก็เติมอาหารถ้าต้องการน้ําก็เติมน้ําคนขับจะได้คนขับจะได้เป็นปกติไม่ไม่ทุกยากลําบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรถยนต์ก็ไม่ชํารุดเสียหายถ้าได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอ ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องคอยเติมน้ำเติมลมเติมอะไรเหมือนกันสิ่งที่ร่างกายต้องการคืออะไรก็คืออาหารเครื่องดื่มน้ำอากาศหายใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราคอยเติมอยู่ตลอดเวลาลมหายใจนี่เราเติมอยู่ทุก ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นการเติมลมให้กับร่างกายน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นการเติมน้าให้กับร่างกาย <c oughs> อาหารที่เรารับประทานก็เป็นอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นเหมือนพลังงานเป็นเหมือนน้ำมัน ถ้าร่างกายขาดอาหารร่างกายก็จะไม่มีเรี่ยวแรงจะไม่สามารถทำอะไรได้จะถ้าขาดอาหารมากๆก็ขับเคลื่อนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงต้องนอนอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการ ถึงจะอยู่เป็นปกติสุขได้เธอต้องมีปัจจัยสี่นะมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่เป็นปกติสุขกันเนี่ยพวกเราทุกคนนี้มีปัจจัยสี่กันทุกคน มีเสื้อผ้ามีอาหารรับประทานวันละสามสี่มือ้อบางท่านก็สองมือ้อบางท่านก็มื้อเดียวก็มากน้อยไม่สำคัญสําคัญขอให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการก็จําเป็นที่จะต้องมีอาหารไว้ดอเลี้ยง มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่อากาศหนาวเย็นถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็ใส่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้มแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะกัดได้เสื้อผ้ามีหน้าที่อันนี้ไว้หุ้มห่อร่างกายอย่าลักที่อยู่อาศัยก็ไว้หลบดดหลบฝนหลบ ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภัยก็มีหลายชนิดภัยจากสัตว์จะภัยจากมนุษย์ที่มนุษย์ที่ไม่มีศีลมีธรรมหรือภัยจากดินฟ้าอากาศถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยร่างกายก็จะลำบาก และนอกจากนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียักยารักษาต้องมีไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปหายามารับประทานถ้าต้องอรักษาด้วยวิธีอื่นก็ต้องทำไปอันนี้คือปัจจัยหรือที่พึ่งของร่างกายที่ร่างกายต้องมี ถ้าจะให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขอันนี้ร่างกายของพวกเราทุกคนมีครบบริบูรณ์ร่างกายของพวกเราตอนนี้อยู่กันเป็นปกติสุขส่วนจิตใจของเรานี่ก็จําเป็นที่จะต้องมีที่พึ่องอาศัยเหมือนกันที่พึ่องอาศัยของจิตใจก็คือ ความสงบถ้าใจมีความสงบใจก็จะมีความสุขถ้าใจไม่สงบใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายวิธีที่จะทำให้ใจสงบนี่ก็มีหลายวิธีแล้วก็มีความยากง่าย มีความสงบมากน้อยต่างกันไปวิธีง่ายก็สงบน้อยวิธียากก็สงบมากแต่ก็ต้องหัดรมให้ได้ทุกวิธีถึงจะได้ความสงบเต็มที่เต็มร้อยการทาใจให้มีความสุขมีความสงบนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน ให้ทำด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือวิธีการทำใจให้สงบสามขั้นตอนที่มีความยากง่ายต่างกันมีความสงบมากน้อยต่างกันที่ผู้ที่ต้องการให้ใจมีความสงบมีความสุข มีที่พึ่งจำเป็นที่จะต้องทำกันสร้างกันขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องทำจากส่วนที่ง่ายขึ้นไปก่อนต้องเริ่มต้นในส่วนที่ทำง่ายที่สุดแล้วค่อยขยับขึ้นไปสู่ส่วนที่ยากขึ้นไปตามลำดับจนถึงส่วนที่ยากที่สุด แต่จะให้ความสงบให้ความสุขได้อย่างสูงสุดนะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำเป็นขั้นตอนไปสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสามารถที่จะทำในระดับที่สูงสุดได้ก็ต้องลดลงมาในระดับที่ตอนเองสามารถทำได้ ระดับง่ายที่สุดก็คือระดับทานระดับยากขึ้นไปก็คือระดับศีลระดับยากกว่าศีลก็คือระดับภาวนาและความสงบที่ได้ในแต่ระดับก็ไม่เท่ากันความสงบความสุขจากระดับง่ายก็จะน้อยกว่าความสงบความสุข ที่ได้จากระดับที่ยากกว่าอันนี้คือทำไมถึง ส, งสอนวิธีทำใจให้สงบแบ่งเป็นสามขั้นตอนเพราะผู้ที่ยาทำนี้มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนก็ จ, จะทำขั้นที่สามได้เลยทำขั้นภาวนานั่งสมาธิได้ จเจริญปัญญาได้พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ทำไปเลยแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องลองมาทาขั้นที่ง่ายกว่าก่อนหือให้มาลองรักษาศีลดูก่อนรักษาศีนได้ไหมศีนก็มีหลายขั้นศีนของนักปวดศีนพา้าศีนของผู้ของเรือนมี ต่างกันมีมากน้อยต่างกันมีความยากง่ายต่างกันศีลขั้นต่าก็ศีลห้าศีลขั้นกลางก็ศีลแปดศีลสิบเน 8, ีน่ยศีลขั้นสูงสุดก็ศีลสองร้อยยีิบเจ็ดนี่คือความแตกต่างระหว่างศีลความยากง่ายต่างกันของศีลก็มีต่างกัน ผู้ที่ยังรักษาศีล227ไม่ได้ก็ลองรักษาศีล10เดียวก่อนพวกที่มาบวชนี่บางทียังเป็นเด็กอยู่ก็ให้บวชเนนไปก่อนเณ น, นก็ไม่ต้องรักษาศีล227ข้อเณรรักษาศีล10แล้วพอโตขึ้นอายุครบ20ถ้าอยากจะอยู่ในพระเหลืองต่อก็ให้บวชเป็นพระ ถือศีลสองรอยบเจ็ดถ้าเป็นผู้หญิงในสมัยพุทธกาลก็ถือศีลสามร้อยกว่าข้อบวชเป็นภิกษุณีแต่สมัยนี้การบวชภิกษุณีได้สิ้นสุดลงไปแล้วในทางสายของเทรวาดของประเทศไทยประเทศไทยนี่อยู่ในสายเทรวาดาศาสนาพุทธนิม มีแบ่งเป็นสองสายใหญ่ๆสายเทรวาสกับสายมหายาณทำไมจึงมีสองสายเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเจดจนิพการจากโลกนี้ไปแล้วภาษาวกที่อยู่ก็มีการแบ่งไปเผยแพย่าศาสนาไปตาม ที่ต่างๆบางท่านก็ขึ้นไปทางเหนือของอินเดียก็ไปทางทิเบตเนปาลไปทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้ก็ไปเผยแพร่โดยใช้ธรรมเนียมที่แตกต่างจากที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดียก็เลยเรียกว่ามหายาณ พวกที่ศาสนาพุทธในทิเบตในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่นนี้จะเป็นพวกมหายาณส่วนพวกที่อยู่ทางอินเดียแล้วลงมาทางใต้ของอินเดียมาทางตะวันออกของอินเดียทางใต้คือศรีลังกาประเทศไทยลาวขเขมรพวกนี้ก็จะเป็นเทรวาวอยู่อยัง ถือศีลสอง้อยย่ิบเจ็ดและยังรักษาธรรมเนียมของเทรวาสที่ไม่ได้บวชให้ภิกษุณีเพราะหลังจากหนึ่งพันปีไปแล้วหลังจากที่พระเจ้าจากโลกนี้ไปประมาณหนึ่งพันปีการบวชภิกษุณีของสายเทรวาสก็หมดไป ไม่มีผู้หญิงอยากจะบวชกันก็เลยไม่มีภิกษุณีหลงเหลืออยู่ในสายของเทรวาสแต่ในสายของมหายานนี่เขายังมีการบวชภิกษุณีอยูอ่อันนี้คือเรื่องของอสายของาศาสนาทำไมถึงแบ่งเป็นสายก็เหมือนกับทหาร แบ่งเป็นฐานอากาศ ฐ, ฐานเรือฐานบกเพราะว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนกันฐานบกก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึง่งฐานเรือก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึง่งพวกม้ายานเขาก็ถือศีลถือธรรมเนียมอย่างหนึง่งพวกเทรวาสก็ถือศีลถือธรรมเนียม อ, อีกอย่างหนึง่งก็เลยอยู่ร่วมกันไม่ได้ เหมือนฐานเรือกับฐานบกฐานอากาศอยู่ร่วมกันไม่ได้ถึงแม้จะเป็นดาหารเหมือนกันแต่มีภารกิจมีหน้าที่ไม่เหมือนกันทางาศาสนาก็มีมีสายมีนิกายที่ไม่เหมือนกันเพราะมีการรักษาศีลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนกัน เส้นทางมหายานี่ขึ้นไปเขาก็จะไม่ได้บินทบาดกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวแล้วประเทศที่ไปเผยแพร่ก็เป็นมีมีธรรมเนียมของศาสนาเก่าอยู่เขาไม่นิยมบินตาพาะศาสนาเก่าเขาไม่บินตาบาดพระก็เลยไม่ได้บินตบาด เขาไม่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กันเขากินเจกันก็ถือกินเจกันทําครัวกันที่วัดก็มีลงครัวทำกับข้าวาแทนที่จะออกไปบินทบายก็ทำกับข้าวกินกันเองในวัดอันนี้ก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ไม่เหมือนกันเสื้อผ้าที่ใส่ก็ไม่เหมือนกันพอ ข, ขึ้นไปทางเหนือมันหนาว ก็ต้องมีเสื้อผ้าที่มิดชิดมีอะไรที่มากกว่าเสื้อผ้าที่อยู่ทางใต้ไตจีวอนก็เลยไม่เหมือนกันก็เลยเป็นเหมือนเป็นฐานเรือกฐานอากาศเครื่องแบบไม่เหมือนกันแต่ก็ยังทำหน้าที่ของาหารเหมือนกันทหารก็ทำหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศศาสนาก็มีหน้าที่เผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้า ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของเทรวาสกับคำสอนของมหายาณก็เหมือนกันแต่อาจจะมีมากน้อยต่างกันบางทีก็มีการตัดไปบ้างมีการอะไรไปบ้างคำภีเลยไม่เหมือนกันแต่คำสอนหลักคือมรรคแปดอริยสัจสีนี่เหมือนกันอยู่ แต่คำสอนอย่างอื่นอาจจะถูกตัดไปหรืออะไรไปตามความเห็นของผู้ที่นำไปเผยแพร่ก็เลยมีความแตกต่างกันอันนี้ก็ถึงทำให้มหามหาณากับเทรวานนี้คือจะอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นเหมือนกันไม่ได้ มหาญาณยังบวชภิกษุณีอยู่ยังมีการบวชภิกษุณีอยู่แต่เทราวานีนการบวชภิกษุณีนี้สิ้นสุดลงหลังจากประมาณหนึ่งพันปีนี่สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเทราวานนี้ไม่มีภิกษุณีมาพันกว่าพันกว่าพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วนะ ฉะ้นจะบวชก็บวชไม่ได้เพราะว่าการบวชภิกษุณีต้องมีภิกษุณีเป็นผู้บวชให้และต้องมีภิกษุสองบวชใหอ้อีกรอบหนึ่งการเบิดบวชภิกษุณีนี้ต้องบวชสองรอบบวชรอบแรกต้องมีภิกษุณีสองคือต้องมีภิกษุณีจำนวนเหมือนกับพระบวชพระทีก็ต้องมีพระสิบรูป จะบวชพิกษุณีทางเทรวาสก็ต้องมีภิกษุณีสิบรูปของเทรวาสแต่ตอนนี้เทรวาสไม่มีภิกษุณี mm hmm. ก็เลยบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติวิธีบวชไว้อย่างนั้นถ้าจะบวชก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติทรงสั่งไว้ถ้าทำนอกเหนือคำสั่งก็ถือว่ า, เ, าเป็นการ ไม่ทำตามเขาตามคำสั่งคำสอนอก็จะถือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไม่มีใครกล้าทาในภิกษุสงฆ์ในไตรละวาจึงไม่มีใครกล้าบวชให้กับภิกษุณีอันนี้ก็เป็นเรื่องของทำไมจึงไม่มีภิกษุณีทีนี้สมัยนี้เรามีความคิดที่แตกต่างกับสมัยโบราณ สมัยโบราณเป็นยุคที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าเพราะต้องใช้กำลังในการอยู่รอดจึงต้องมีผู้ชายเป็นหัวหน้าคอยปอกป้องกันเด็กผู้หญิงให้ปลอดภัยเะฉะนั้นการบวชในสมัยก่อนจึงต้องยกให้ภิกษุเป็นหัวหน้าภิกษุนีนบวชนี้ต้อง ต้องมาเรียนรู้จากภิกษุต้องถือภิกษุเป็นอาจารย์ถึงแม้ว่าภิกษุณีจะบวชก่อนภิกษุก็ตามภิกษุบวชที่หลังภิกษุณีก็ยังต้องให้ความเคารพภิกษุอยู่เพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้ภิกษุเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำให้ภิกษุณีนี้เป็นผู้ผู้ตาเป็นเท้า เป็นช้างเท้าหลังเท่าให้ภิกษุเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นําเพราะสมัยก่อนนี้ต้องเป็นผู้ชายถึงจะปลอดภัยนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงไปทุ ด, ดงอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ถูกโจรผู้ร้ายหรือผู้ไม่หวังดีทำร้ายได้ภิกษุนี้จึงต้องอยู่กับภิกษุภิกษุพากภิกษุจะไปอยู่ตามลําพังไม่ได้ ต้องอยู่วัดที่มีพระภิกษุอยู่ด้วยแล้วต้องคอยไปรับคําสั่งคําสอนจากพระภิกษุอีกทีหนึง่งตอนนี้เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ส่งกําหนดเอาไว้ต่อมาเราอยู่ในยุคสมัยนี้มันเป็นอีกคนละโลกนะเหมือนยุคนี้เราไม่ต้องอมีผู้ชายเป็นผู้นําก็ได้ เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าเยอะแยะผู้หญิงมีความสามารถเพราะว่างานที่ต้องทำไม่ต้องใช้กำลังเหมือนเมื่อก่อนงานอย่างนี้ใช้สมองใช้ความรู้ผู้หญิงก็เลยสามารถเป็นหัวหน้าได้เป็นนายกได้เป็นผู้นำประเทศได้ผู้หญิงสมัยนี้ก็เลยคิดว่าแล้วทำไมผู้หญิงมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้ อันนี้ก็ถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของภิกษุนี้ก็จะไม่เข้าใจก็จะคิดว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ให้ความเท่าเทียมต่อเพศเพศผู้หญิงดังเกียดเดียดฉันเพศผู้หญิง อ, อันนี้คือต้องเข้าใจว่าศาสนานี้ มีกฎมีประเพณีมีธรรมเนียมที่ทำกันมาที่ไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกฎธรรมเนียมประเพณีที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งกาหนดขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครที่จะฉลาดรู้รบอบคอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้นี้ ทางศาสนาจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าไม่ได้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้นะถ้าไปเปลี่ยนคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เรียกพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องเรียกเป็นชื่อของคนที่มาเปลี่ยนแปลงอถ้านายกรมาเปลี่ยนแปลงพรพุทธศาสนาะ ก็ต้องเรียกว่ากอศาสนาแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่ า, เ, าเป็นคําสอนของอีกบุคคลหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว อ, อันนี้จึงเป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่นี้อาจจะไม่เข้าใจกันอคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้แต่มียงอย่างเดียว ในศาสนาพุทธนี้เปลี่ยนไม่ได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคุณค่าประโยชน์มากที่ไม่ควรที่จะไปลบล้างไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงมีแต่ควรที่จะอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่กับโลกไปให้นานที่สุดเพราะเป็นคำสอนที่ช่วยให้สัตว์โลก ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเอาเริ่มไปเปลี่ยนคำสอนเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการาเปลี่ยนแปลงในการในผลที่จะได้จากการปฏิบัติซึ่งผู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นผู้ที่มีกิเลสตัณหาก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะจะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของความโลภความอยากของกิเลสตัณหา จะทําให้ศาสนาไม่ศักดิ์สิทธิ์และจะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเอากิเลสตัณหามาเป็นศาสดามาเป็นอาจารย์เพราะกิเลสตัณหานี้เป็นศาสดาในการผูกสอนให้สัตว์โลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับาการเกิดแก่เจ็บตาย ติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องเชื่อคำสอนของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วคำสอนของเทลวานีได้รับการรับประกันนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีพระอาหารหันต์อีก5้าร้อยรูปคือในช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ด, ดับขัน จากโลกนี้ไปแล้วสามเดือนก็มีพระอรหันต์ห้าร้อยรูปมาประชุมกันแล้วมาตรวจคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนว่าเป็นคำสอนที่ควรที่จะรักษาหรือควรที่จะลบล้างเปลี่ยนแปลงหรือไม่พระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคำสอนที่สวากขาโตพระกวตาธรรมโม เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบทุกประการไม่มีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ขาดไม่เกินพร้อมบูญพร้อมบริบูรณ์หมดถึงแม้พระพุทธเจ้าจะทรงสั่งไว้ว่าถ้าอยากจะ เ, เลิกคําสอนคําสั่งข้อไหนก็ถ้าสงมีมีความเห็นพร้อมก็เลิกได้แต่ตอนที่พุทธเจ้าสั่ง คนรับจะรับฟังไม่ได้ถามว่าจะให้เลือกข้อไหนบ้างที่เลือกได้ข้อไหนบ้างที่เลือกไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะให้เลือกข้อไหนหรือไม่ให้เลือกข้อไหนป้าหลานห้าร้อยรูปก็เลยบอกว่ารักษามันเหมือนเดิมก็ตอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็รักษาได้แล้วทําไมพอพระพุทธเจ้าตายไปทไําไมจะต้องมาอามาเปลี่ยนแปลงทําไม ทำมถ้าจะเปลี่ยนแปลงทํำให้เปลี่ยนตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ไปกราบทูลขอพระพุทธเจ้าเลยไม่ดีกว่าเลยจะได้ทุกคนจะได้สบายใจเพราะไม่มีเพราะทุกคนเชื่อพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวศาสนาพวกนี้เกิดมาจากคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครเอาคําสอนมาแทรกในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระไตรปิฎก ที่มีอยู่ถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมบทนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครเอามาม า, มาแทรกมาเติมมาตัดเพราะฉะนั้นพระอหันห้าร้อยรูปก็เลยประชุมกันแล้วก็ลงมติว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นคำสั่งคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่ดีที่สุดที่ไม่ควรที่จะไปลบไปล้างแต่อย่างใดอั น, นี้จึงทําให้ไม่สามารถบวชภิกษุณีได้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการจะบวชภิกษุณีนี้ต้องมีภิกษุณีอสองฆ์มีสองฆ์อยู่สองฝ่ายภิกษุีสงฆ์กับภิกษุสงฆ์ตอนนี้มีภิกษุสองฆ์อยู่ฝ่ายเดียวภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแล้วจึงไม่สามารถบวช แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ได้ไไดาการไม่ได้บวชภิกษุณีก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ไปนิพพานก็ยังไปนิพพานได้อยู่ยังสามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้ใจมีความสุขได้เหมือนกับเป็นภิกษุณีอยู่เช่นบวชเป็นแม่ชีหรือที่เรียกว่าอุบาสิกาถือศีลแปดศีลสิบเหมือนสัมมาเนยก็ได้ สัมมาเนนี้ก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นภิกษุณีถึงจะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นอะไรก็ยังไปนิพพานได้ยังหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นภิกษุณีหรือเป็นภิกษุเป็นสัมมาเนหรือเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาแต่อยู่ที่ว่าสามารถปฏิบัติ ตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้หรือไม่เนี่ยที่สอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้ใจมีที่พึ่งมีความสุขตลอดเวลาได้อยู่ที่การปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นสั ม, มเณีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลบางคนยังไม่สามารถบวชได้ก็เป็นภิกเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปก่อนบางคนบวชแต่บวชเป็นพระไม่ได้เพราะยังอายุไม่ครบก็เป็นสัมมณีไปก่อน อันนี้เป็นเรื่องของ ส, สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของแต่ละคนแต่ทุกคนปฏิบัติมักที่จะทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฆรวาสญาติโยมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเป็นสัมมเนรสามารถที่จะบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้กันทุกคน สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ทุกคนดังนั้นเราอย่าหลงประเด็นอย่าไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำคือมามาพยายามแก้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะแก้แล้วมันจะทำให้มันเลวลงไม่ดีขึ้นเพราะคนที่มาแก้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพาระอรหันต์ เป็นคนที่มีกิเลสตันหาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหันท่านก็ไม่แก้เพราะท่านรู้ว่ามันดีอยู่แล้วแต่พวกที่มาแก้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่รู้ว่ามันดีอยู่แล้วยังคิดว่ามันขาดอย่างนู้นขาดอย่างนี้ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งอันนี้ก็เลยก็ดูตัวอย่างของสายมห ah ายานกับสายเทรวาสดู สายมายานี่ก็เละเทปไปตามเขาอยากจะแก้อะไรเมื่อไหรเขาก็แก้กันไปเปลี่ยนกันไปแต่เทราวาสเรานี้พยายามรักษาเหมือนเดิมเอถ้าไม่รักษาก็ก็ช่วยไม่ได้ก็ก็ทําให้เสื่อมลงไปเนี่ยประเทศไทยเราที่มีสองนิกายก็เพราะว่านิกายที่ก่อตั้งในประเทศไทย ในยุคแรกๆ ก, ก็เป็นนิกายที่สมบูรณ์ปฏิบัติตามคําสอนทุกประการเพราะมีพระอรหันต์เป็นผู้มาก่อตั้งมาเผยแผ่แต่ยุคต่อมาต่อมาพอไม่มีพระอรหันต์มาคอยสังคอยสอนก็เลยมีการประพฤติปฏิบัติที่เสื่อมออกนอกลกูนอกทางทํากิจที่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์เช่นมาทําอาชีพหมอดูมั่ง มาปลุกเศกมาสร้างวัตถุมงคลมาทำอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำเลยทีนี้ในยุคในยุคสมัยรัตนาโกสินเนี่ยก็มีรูปของรัชกาลที่สามคือเป็นรูปของรัชกาลที่สามไม่ที่สองก็ไม่ทราบ ที่จะขึ้นกองราชเป็นรัชกาลที่สี่ท่านก็อตอนท่านยังไม่ได้ขึ้นกองราชท่านก็สนใจศึกษาพระศาสนาศึกษาพระไตรปิฎกศึกษ า, ากฎธรรมเนียมของพระสงฆง์เจ้าท่านก็ไปเห็นว่ามันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสงฆ์เริ่มเละเทะทอะไรที่ไม่น่าไม่น่าดูไม่น่าเลื่อมใส เล่หมักรุกเตะตะก็อทาอะไรที่อไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์ที่จะเพิ่งกระทําำเพราะว่าท่านจะบวชท่านก็เลยไม่ไปบวชกับพระอที่อยู่ในประเทศไทยไม่บวชกับพระไทยไปบวชกับพระมอญเพราะท่านไปศึกษาเห็นพระมอญ น, นี้มีความสำรวมมีความเรียบร้อยะ มีความปฏิบัติที่เค้่งคัดต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไปบวชกับพวกพระมอนอยู่กับพวกพระมอนที่ถือว่าเป็นคนต่อสายกับพระสายของไทยเราที่พอท่านบวชก็มีพวกฆาลาชบริพานมีพวกคนที่เคารพนับถือท่านที่มีศรัทธาก็ออกบวชตามกัน ก็เลยกลายเป็นคณะขึ้นมาใหม่คณะหนึ่งที่ต่อมาเราก็เรียกว่าเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเรามีอยู่สองนิกายมีมหานิกายกับมีธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์นี้เป็นนิกายที่เล็กกว่ามหานิกายก็ถึงเรียกว่ามหานิกายมหาเพราะเป็นนิกายที่ใหญ่กว่าเป็นนิกายดั้งเดิม แต่เริ่มมีความเสื่อมในการปฏิบัติทางธรรมวินัยเริ่มไม่รักษาศีลเข่งคัดพระที่อยากจะเข่งคัดก็เลยไปบวชกับพระสายธรรมยุทธ์กันแต่เดี๋ยวนี้สายธรรมยุทธก็เริ่มเสื่อมลงเหมือนกันเริ่มมีการปฏิบัติคล้ายคึงกับสายมหานิี้กายอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การเวลาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนที่จะมาคอยเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆของเก่านอกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นแต่บางครั้งมันไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของศาสนานี้เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจของคนที่ยังมีกิเลสอยู่ ถ้าคนมีกิเลสถ้าจะคิดไปปรับปรุงศาสนาของคนที่ไม่มีกิเลสนี่ไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นหรอกมีแต่ทำให้เสื่อมลงเพราะความคิดของคนที่มีกิเลสนี่จะคิดไปในทางที่จะทำให้เสื่อมลงการกระทำของคนที่มีกิเลสกับการกระทำของคนที่ไม่มีกิเลสนี่ต่างกัน คนที่มีกิเลสนี้จะมีความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่คนที่ไม่มีกิเลสนี้เขาไม่มีความโลภอยากจะได้อะไรเขาทำอะไรเขาไม่ได้ทำด้วยความอยากเขาทำด้วยเหตุ <im ulin> ผลจริงๆว่าทำแล้วดีจริงๆหรือไม่ถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ทำถ้าทำแล้วดีถึงทำแต่คนที่มีกิเลสนี้จะคิดว่าทำแล้วดีแต่ดีไม่ได้ดีจริง ดีดีตามที่กิเลสอยากได้ออก็เลยทําให้เกิดการเสื่อมเสียทําให้ศาสนาที่ อ, อที่เข้มข้นเจือจางลงไปด้วยการเอาความคิดความเห็นของผู้ที่มามีกิเลสมามาเปลี่ยนแปลงคําสั่งคําสอนของผู้ที่ไม่มีกิเลสเ อ, อ, อันนี้คือเรื่องของ เรื่องของศาสนาเรื่องของทำไมในประเทศไทยเราจรึงไม่มีการบวชภิกษุณีผู้ที่อยากเป็นภิกษณุณีเลยต้องไปบวชที่ประเทศไต้หวันบ้างประเทศอื่นที่มีมหายานมีแล้วบวชแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาสร้างวัดเป็นวัดภิกษุณีไปแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในอยู่ใน การควบคุมดูแลของของสงสงไทยสงไทยเราจะควบคุมดูแลแต่ของสงไทยคือของเทรวาสแต่เมืองไทยก็ไม่ไม่ปิดกัน้นใครอยากจะนับถือศาสนาอะไรนิกายอะไรก็อนุญาตแม้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็นับถือได้ศาสนาคริสต์ก็มาตั้งตั้งศาสนาในเมืองไทย ศาสนาอิสลามก็ตั้งเพราะคนที่นับถือแต่ละศาสนาเวลาเขาย้ายลกลากมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็ยังนับถือศาสนาของเขาอยู่เขาก็ยังต้องมีศาสนาของเขาเป็นที่พึ่งทางประเทศไทยเราก็ยินดีเปิดกว้างว่าใครอยากจะนับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปเพียงแต่ว่าอย่าให้มามีปัญหาต่อกันก็แล้วกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันไป พราะถ้าถ้าปฏิบัติตามคําสอนของทุกศาสนาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีด้วยกันทุกคนทุกศาสนาสอนให้คนดูแลกันช่วยเหลือกันให้เป็นมิตรให้มีความเมตตาต่อกันเนี่ยจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดังนั้นในศาสนาในพุทธของเราก็ยังมีนิกายต่างๆขึ้นมาะ อาจจะมาจากต่างประเทศก็มีมาสร้างมาตั้งลุกรลานอ้่างนอ้พระจีนพระจีนที่อยู่แถวกรุงเทพอยู่แถววัดจีนก็อันนี้ก็เป็นพุทธเหมือนกันแต่พุทธคนลณนนิกายอันนี้ก็เป็นพุทธสายมหายาณเขาก็กินเจเขาก็อะไรของเขาไปเขาไม่บิณฑบาตของสายเทรวาสเหล่านี้พระพุทธเจ้ามไม่ได้บังคับให้กินเจ จะกินก็นได้ไม่กินก็นได้เพราะพระพุทธเจ้าถือว่าการกินเจและไม่กินเจนี้ไม่ต่างกันมันเป็นเมื่ออาหารเหมือนกันกินเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายไม่ได้มีส่วนที่จะไปทําให้จิตใจสูงขึ้นหรือต่ําลงส่วนที่จะทําให้จิตใจสูงขึ้นที่ต่ําลงนี่อยู่ที่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนถ้าเราฆ่า ฆ่าไก่แล้วมาทำแกงไก่กินอย่างนี้อันนี้ถ้ากินกินไก่แบบที่ไก่ที่เราฆ่าเองเนี้ยอันนี้จิตใจเราตกตำ่ำเพราะจิตใจเราทำบาปแต่ถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตายแล้วมาทำแกงไก่นี้ไม่ไม่บาปเหรอเหตนั้นการทาแกงไก่กินแกงไก่ถ้าไก่ที่เราเอามาทำนี่มันตายไปก่อนมันคนอื่นทำให้มันตายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว เราจะกินไม่กินมันก็ไม่ฟื้นแล้วใช่ไไมไก่ตัวนั้นมันก็ต้องตายอยู่ดีมันเป็นมันกลายเป็นอาหารไปแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยไม่ได้บังคับให้พระต้องเป็นให้ให้ต้องกินเจเพราะส่วนหนึ่งทรงเห็นว่าจะไปสร้างสร้างความยุ่งยากในหะ้ให้แก่คนใส่บาทเพราะคนใส่บาทก็ไม่ได้กินเจกันทุกคน ถ้าต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลให้เข้าถึงคนทุกระดับทุกชั้นก็ต้องไม่ไปกำหนดว่าจะต้องให้ให้ใส่บาตรอาหารเจยอย่างเดียวก่อนที่ไม่อยากจะใส่อยู่แล้วพอต้องมาทาอาหารเจเป็นประวพิเศษเก็กุ้มไม่ใส่ดีกว่าใช่ไหมแต่ที่เขาใส่เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็แบ่งอาหารที่เขาจะกินเนี่ยแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอามาใส่บาตร ถ้าเขากินแกงไก่เขาก็แบ่งแกงไก่ใส่บาทมาถ้ า, ากินเจเขาก็แบ่งเจมาให้แต่อันนี้เราไปบังคับไม่ได้พระเป็นพระบินดบานี้เป็นผู้ขอผู้ขอไม่ควรที่จะไปสั่งให้ผู้ให้ว่าต้องให้อย่างนั้นต้องให้อย่างนี้ผู้ขอต้องยินดีตามมีตามเกิดผู้ให้อยากจะให้ผู้ขอกินอะไรก็แล้วแต่เขาอยากให้กินเจก็ใส่เจมา อยากให้กินไก่ก็ใส่ไก่มาผู้รับรับได้ทั้งนั้นส่วนผู้รับจะกินอะไรไม่กินนี่เลือกได้ทีหลังเวลาใส่ไปในบาทแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับถ้าผู้รับอยากจะกินผักก็เลือกกินแต่ผักก็ได้เจอเนื้อสัตว์ก็เขี่ยมันทิ้งไปแยกออกไปก็ได้อันนี้มันไม่ต่างกันทางด้านจิตใจจะกินผักแล้อกินเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้ทาให้จิตใจสูงขึ้นหรือต่าลง จะสูงขึ้นหรือต่ำลงอยู่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์นะอันนี้อยากจะทำความเข้าใจเพราะญาติโยมบางทีไม่เข้าใจคิดว่ากินเจแล้วได้บุญบุญก็คือความสุขใจคือทำให้จิตใจสงบขึ้นสูงขึ้นมันไม่สูงขึ้นหรอกจากการกินเจหรือไม่กินเจมันจะสูงหรือต่ำอยู่ที่จากการฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าฆ่าจิตใจก็จะต่า จิตใจจะไม่สุขจิตใจจะทุกข์จะวุ่นวายแต่ถ้าจิตใจไม่ถ้าไม่ฆ่าสัตว์จิตใจจะเย็นจะสบายจะสงบนะเาะฉะนั้นการกินเจนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นแล้ต่ำลงถ้ากินเจทำให้จิตใจสูงขึ้นวัวควายมันก็ต้องสูงกว่าคนเลยใช่หไหมวัวควายมันก็กินผักอยู่ตลอดเวลากินผักกินหญ้า มันก็จาจะสูงกว่ามนุษย์นะแต่มันไม่สูงกว่ามนุษย์มันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ก็เพราะว่าถ้ามันมีโอกาสมันก็ยังจะทําบาปอยู่กินผักกินหญ้าบางทีมันก็ไปขโมยเขาเก็นไปกินหญ้าของคนอื่นเขาไปกินข้าวอย่างนี้บางทีชาวนาชาวไร่ปลูกข้าวอยู่ถ้าไม่กัน้นรั้วไม่คอยผูกปัวควายไว้เดี๋ยวมัน มันผ่านมาเห็นข้าวมันก็กินข้าวที่อยู่ในนานะั่นแหละมันก็ทำบาปแล้วมันก็รักทรัพย์แล้วนะงั้นจิตใจจะสูงจะต่ำไม่ได้อยู่ที่ว่ากินเนื้อกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์อยู่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์อยู่ที่ทำบาปหรือไม่ทำบาปกนะินเจนแล้วไปตบยุงอย่างนี้เป็นยังไงเวลายุงมาเข้ามา กัดเราเนี่ยเราก็ไปตกหยง่แล้วไปฆ่ามดฆ่ามแมลงแต่กินจเจอย่างเงี้ยอันนี้จิตใจจะสูงขึ้นหรือจะต่าลงเมื่อมีการฆ่าแล้วไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็บาปทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะบาปมากบาปน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่มันก็บาปถ้ากินสัตว์ที่มีมีประโยชน์น้อยมีคุณน้อยก็บาปน้อยถ้าฆ่าสัตว์ที่มี คุณมีประโยชน์มากก็มีโทษมากมีบาปมากเช่นฆ่าคนนี้ก็มีต่างกันถ้าตำรวจไปฆ่าโจนผู้ร้ายนี้ก็ไม่บาปเท่ากับถ้าไปอไปโจนผู้ร้ายไปฆ่าคนอื่นไปขโมยไปลักทรัพย์ของคนอื่นแล้วไปฆ่าเนี่ยมันการฆ่ายังมีความแตกต่างกันถ้าตำรวจไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยบาปมากกว่าไปฆ่า ฆ่าโจรฆ่าผู้ร้ายเนเพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากกว่าเราฆ่าโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเหล่านี้ไม่บาปน้อยกว่าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครูบาอาจารย์ฆ่าบุคคลที่มีพระคุณของเราเนีอันนี้บาปมันยังมีความหนักเบาไม่เท่ากันฆ่ามนุษย์ก็หนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานมีคุณค่าประโยชน์น้อยกว่ามนุษย์นั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นหรือต่ำลงมีความสุขมากขึ้นหรือมีความสุขน้อยลงก็อยู่ที่การรักษาศีล น, นี้อันนี้เป็นการปฏิบัติขั้นที่สองที่จะทำให้ใจเรามีความสุขขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราทําบุญทำทานเวลาเราทำทานเราแบ่งปันข้าวของเงินทองของใช้ความสุข ให้แก่คนอื่นทำให้คนอื่นเขาเกิดความสุขขึ้นมาเราก็จะมีความสุขกลับมาหาเราเวลาทําบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาใจเราสงบลงไปกว่าตอนที่ไม่ได้ทําบุญตอนทําบุญหลังจากทําบุญแล้วใจจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะใจสงบลงใจได้ปล่อยวางเงินทองข้าของที่รักที่หวงไปส่วนหนึ่ง ถ้ายังมีเก็บข้าวของเงินทองไว้อยู่ก็ยังต้องมากังวลมาคอยวุ่นวายดูแลรักษาห่วงมันอยู่พอเสียสละเงินก้อนนี้ไปก็ก็หมดห่วงไปหมดกังวลไปส่วนหนึ่งทำให้ใจเบาขึ้นสงบขึ้นมีนความสุขมากขึ้นนี่คือวิธีแรกวิธีที่ง่าย ที่สุดสาหรับการสร้างความสุขให้กับใจก็คือการทำบุญทำทานแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยมันเป็นส่วนเกินส่วนที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เปนเดือดร้อนส่วนที่ต้องมีก็ต้องเก็บไว้เช่นส่วนที่เราต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงดูตัวเราเราก็ต้องเก็บเอาไว้ แต่ถ้ามันมีมากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์ก็เอาไปทําบุญดีกว่าจะทําให้เราได้ความสุขทางใจส่วนเงินทองที่เราเก็บไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายเพียงส่วนเดียวไม่มีประโยชน์กับจิตใจถ้าอยากจะให้เงินทองที่เรามีที่เก็บไว้ที่เราไม่ต้องใช้นี้อยากให้มันเกิดประโยชน์กับใจเราก็เอาไปทําบุญทําทานทําบุญทําทานแล้วจะทำให้ใจสุข ถ้าไม่ทำบุญทำทานใจก็จะไม่สุขเนอันนี้เป็นขั้นแรกขั้นที่ง่ายที่สุดในบรรดาสามขั้นที่พุทธเจ้าสรงสอนให้เรามาสร้างความสุขให้กับใจกันขั้นแรกก็คือทำทานแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองของที่เราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อน มีก็บางทีเกตกะลกลุงหลังบ้านเสียเปล่าเอาไปให้คนเหนื่อยแล้วสบายใจไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาทําให้เราเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจขึ้นอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งคือถ้าอยากจะมีความสุขทางใจเหมือนกับมีความสุขทางร่างกายเราก็ต้องทําบุญทําทานทําบุญทําทานแล้วใจเราจะเบาขึ้นจะสงบขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นะ แล้วจะทําให้เราทําบุญขั้นที่สองได้คือการรักษาศีลเพราะคนที่ทําบุญทําทานนี้จะเป็นคนที่มีจิตเมตตากรุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ผู้อื่นมีความสุขยังเวลาจะทําอะไรแล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะไม่ทำํำถ้าจะไม่ฆ่า จะไม่ฆ่าจะไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ประพฤติผิดไปประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นจะไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไปอาวา่าอารวานให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็จะทําให้รักษาศีลห้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญเพราะคนที่ไม่ทําบุญนี่ส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ผู้อื่น ที่ไม่ทำบุญก็เพราะเสียดายเงินทองที่มีอยู่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่สงสารความทุกข์ความยากเดือดร้อนของผู้อื่นเพราะเสียดายเงินทองหัวเงินทองแล้วอยากมีความโลภอยากได้เงินทองมากจึงมักจะไม่สามารถทำบุญทำทานได้เมื่อทำบุญทำทานไม่ได้ก็จะรักษาศีลไม่ได้เพราะ คนที่จะรักษาศีลนี่จะต้องเระมัดระวังว่าเวลาทำอะไรไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่าแต่คนที่ไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นคิดแต่ความรู้สึกของตนก็จะไม่สนใจอยากจะทำอะไรก็ทำชาวบ้านจะเดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้ก็จะคิดอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดความ ไม่สามารถทำให้เขามีศีลได้ดังนั้นการจะรักษาศีลได้จึงต้องผ่านการทำบุญทำทานให้ได้ก่อนคนที่จะรักษาศีลได้อย่างจริงจังนี้ต้องเป็นคนที่ใจบุญศูนทานเป็นคนที่คิดถึงความสุขของผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขคือมีความเมตตาถ้าปราศจากความเมตตาแล้วจะไม่สามารถที่จะทำบุญได้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ ศาสนาจึงสอนให้เราแผ่เมตตากันแต่แผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่ด้วยการสวด เ, ออเวลาเราสวดมนต์เวาแผ่นี้ไม่ได้ไม่ได้แผ่เป็นการสวดเฉยๆสวดเพื่อให้เรารู้ว่าต้องแผ่เตือนใจสอนใจเราเวลาแผ่ต้องเวลาที่เราเจอกัน เ, ออเวลาพบหน้ากันแล้วยิ้มให้กันนี่ก็แผ่แล้วออถ้าหน้าบึ้งแยกเคี่ยวใส่กันก็ไม่แผ่แล้ว จะมีขนมมีของฝากเอามาแจากกันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาเพราะคนรับเขาได้รับความสุขจากการกระทําของเราแต่เราสวดเฉยๆเขาไม่ได้รับอะไรจากเราเขาไม่รู้เสียวด้วยซ้ําไปว่าเราแผ่ให้เขานยมอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์สวดแล้วก็บอกแผ่ให้คนนั่นแผ่ให้คนนี้เขาได้รับอะไรจากการแผ่ของเราเปล่าไม่ได้รับอะไรมันไม่ได้แผ่มันเป็นการสวดแต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่าการสวดเป็นการแผ่ การแผ่เป็นการกระทําการสวดไม่ได้กระทําอะไรอยากจะแผ่เมตตาต้องแบบปีใหม่แล้วก็ซื้อของขวัญให้กันเนี่ยส่งส่อข้สอให้กันอันนี้เราแผ่เมตตาส่งความสุขเนี่ยวันเกิดของเพื่อนก็ซื้อของไปให้เขาอย่างนี้ซื้อของขวัญไปให้เขาอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาทําบุญใส่บาตรก็แผ่เมตตาเมตากับพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าก็อดตายสงสารพระกลัวพระจะอดตายก็ต้องใส่บาตรอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดหรือคิดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแผ่เมตตาเห็นเขาอดอยากก็แผ่ไปสิเราไปนั่งขอทานแล้วบอกให้กูแผ่เมตตาให้มึงแล้วนะไม่ได้หยอดเงินใส่กระป๋องนะ เรมันจะรู้สึกหรือเปล่าว่าเราแผ่เมตตาให้มันไม่ได้แผ่ให้มันหรอกมานั่งสวดต่อหน้าขอทานสัเพสัตาอาเวลาหนนโตดูเลยดูว่ามันจะดีใจหรือเปล่ามีความสุขซาทุกกับเราหรือเปล่าไม่หรอกเพราะเราไม่ได้ไปแผ่เมตตาเราไปสวดสวดบทแผ่เมตตากับการแผ่เมตตามันไม่เหมือนกันที่ต้องสวดเพราะจะได้เตือนใจสอนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตากันเท่านั้นเอง ที่เราสวดมนต์นี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตใจเราสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อให้เราย้ำในศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกเป็นที่พึ่งของเราแผ่เมตตาก็เพื่อย้ำเตือนเราว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราเจอกันนะอย่าแย่เคี่ยวสายกันอย่าตีกันอย่าด่ากันอย่าว่ากัน ให้อภัยกันใครพูดไม่ดีทำไม่ดีก็สาธุไปอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอันนี้แหละเรื่องของการแผ่เมตตาผู้ที่จะปฏิบัติกิจทางศาสนาได้สร้างความสุขทางใจได้ต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานถ้ามีความเมตตาแล้วจะทำบุญทำทานได้เพราะอยากให้คนอื่นมีความสุขนั่นเอง ทำบุญทำทานก็ไม่ต้องทำบุญกับพระเ่ซื้อของขวัญให้เพื่อนในวันเกิดนี่ก็เป็นการทำบุญแล้ะเพียงแต่เราอาศัยโอกาสคือวันเกิดของเขา เป็นโอกาสให้เราได้ทำบุญทำทานเสียสละข้าวของเงินทองให้กับเขาไปให้ความสุขกับเขาไป souvenir? ถ้าเราไม่รักเพื่อนเราจะไปแผ่เมตตาให้เขาเราจะไปทำบุญกับเขาหรือเปล่าเราจะให้ข้าวของเขาหรือเปล่าเราต้องรักเขาก่อนใช่เราต้องมีความเมตตาก่อนอยากจะให้เขามีความสุขพอราักเขาอยากให้เขามีความสุขเราก็จะทำทานได้ทำทานได้พอทำทานได้เราก็จะรักษาศีลได้ รักษาศีลก็ตอนต้นก็นรักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้อยากจะลองรักษาศีลแปดก็ไม่ยากอาถ้ารักษาห้าข้อได้แล้วอีกสามข้อไม่ยากอีกสามข้อนี้ง่ายกว่าห้าข้อแรกเสียด้วยซ้ําไปเพียงไม่ให้กินข้าวเวย็นเท่านั้นมันจะยากตรงไหนไม่ให้ดูหนังดูละครไม่ให้ไปเที่ยวมันจะยากตรงไห น, นใช่ไหม ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆให้มันยากตรงไหนก็นอนกับพื้นปูเสื่อก็ได้ก็นอนหลับเหมือนกันที่ให้ทำอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีเวลามาภาวนาทําขั้นที่สามคือมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปนอนกับแฟนได้ ก็เลยต้องให้ถือศีลแปดเพื่อจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมเหล่านี้เมื่อไม่มีกิจกรรมอะไรจะทำก็เลยต้องมานั่งสมาธิธแทนมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมแทนออก็จะได้ภาวนาก็จะทำให้ใจมีความสุขในระดับสูงสุดได้ออระดับกลางก็คือการรักษาศีนรักษาศีนก็ทำให้ใจเราเย็นขึ้นสบายขึ้น ความวุ่นวายใจความกังวลจะน้อยลงเพราะเราไม่ได้ทําอะไรที่จะทําให้เรามาต้องกังวลใจนั่นเองถ้าเราไปขโมยไปโกหกหลอกลวงใครนี่เราจะกังวลกลัวเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่มีความกังวลใจใจเราก็จะเย็นจะสงบจะมีความสุขมากกว่าการทําบุญทําทานเนี่ยเราอยากจะได้สงบมากกว่า น, นี้ก็ต้องมาภาวนา ต้องมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิทาใจให้สงบมาเจริญปัญญาแล้วเราจะได้ความสงบเต็มร้อยความสงบที่ถาวรที่จะเป็นพันิชภานต่อไปนี่คือเรื่องของการมาสร้างความสุขให้กับใจเหมือนกับการสร้างความสุขให้กับร่างกายเรื่องของร่างกายนี้พวกเราทุกคนมีความสามารถทำได้เท่ากันหมด ร่างกายของเราทุกคนมีความสุขสบายเหมือนกันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอาหารกินมีที่หลบแดดหลบฝนมียารักษาโรคมีเครื่องน่องห่มพร้อมกันทุกคนแต่เรื่องของทางใจนี้พวกเรายังมีมากน้อยต่างกันอยู่ที่ว่าเราทําปฏิบัติได้มากน้อยต่างกันถ้าอยากจะได้มากก็ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสามขั้นคือทานศีลภาวนา ตอนนี้อยู่ขั้นไหนก็พยายามทำขั้นนั้นไปแล้วเพิ่มขึ้นไปตามลำดับต่อไปก็จะทำได้ครบร้อยแล้วต่อไปจใจจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจ อ, อีกต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของที่พึ่งทางใจของพวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะมีที่พึ่งทางใจขอ้นอมนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วเราจะมีใจที่สงบมีใจที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาเรวาหาปุราปริปุเรนตีสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจานตตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทะนสีลิตสานิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา337 YouTube 216 วิทยุออนไลน์29รับฟังข้างบนนี้42คนฮะรวมทั้งหมด624ครับ <c oughs> แต่นี่วันไม่ต่ำกว่า600ขึ้นไป <c oughs> มีใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้นะมีไมโครโฟนให้พูดถ้าอยากจะถามที่นี่ถ้าไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามา แล้วจะให้คนอ่านให้ถามได้นะถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวก็จะให้ทางบ้านถามก่อนผู้ที่ติดตามทางบ้านถ่ายทอดสดเขาก็ส่งข้อความเข้ามาถามอยู่ทุกวันคำถามจากทางไลน์นะครับคุณวีระวันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะบนบวด บนบวชชีไว้หนึ่งเดือนแล้วเป็นกฎของทางวัดที่จะไปบวชว่าบวชได้15วันต้องศึกและบวชใหม่ค่ะจะสอบถามว่าเราเว้นวักได้ไหมคะแล้วมาบวชอีก15วันส่วนที่เหลือเป็นอีก3ถึง4เดือนข้างหน้าค่ะ จะมีผิดจะมีผลเสียอะไรไหมคะก็อยู่ตอนที่เราบน่นเราบนว่าอย่างไรถ้าเราบนมาว่าขอบวชหนึ่งเดือนแต่แบ่งเป็นสองตอนถ้าถ้าเวลาบนบอกว่าบวชหนึ่งเดือนแล้วพอถึงเวลาจะแก้บนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเงื่อนไขมันก็เหมือนกับหลอกลวงกันเหมือนยืมเงินเขาบอกจะจ่ายให้ภายในสามสิบวัน พอถึงเวลาบอกขอผ่อนส่งอย่างนี้มันก็เป็นการหลอกลวงกันแล้วใช่ไหมต้องตกลงกันไว้ทําตามที่ตกลงไว้เสียถ้ายืมเงินเขาบอกว่าพอสาสิบวันก็จะคืนให้หมดก็ต้องคืนให้หมดไม่ใช่พอถึงสามสิบวันบอกขอผ่อนทีละสิบเปอร์เซ็นตได้ไหมปีละสิบเปอร์เซ็นอีกสิบปีถึงจะผ่อนหมดนี่อย่างนี้ฟังแล้วมันก็ใช่ไหมคนเขาก็ต่อไปเขาก็ไม่ให้ยืมเงินเรา ต่อไปใบบนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้เราบน่นอ่ะบ่นก็ไม่ได้ผลถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องทําตามที่เราบ่นไว้ก็วันอื่นมีต้องเยอะแยะที่เขาให้บวชสามสิบวันทําไมไปเอาวัดที่เขาให้บวชสิบห้าวันใช่ไหมเราก่อนที่จะบ่นอะไรเราต้องคิดดูก่อนว่าเราบ่นแล้วเราทําได้หรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถแกบ่นได้แล้วเราก็คืนของที่เราได้มาไปสิ แทนบนขอให้ได้แฟนพอได้แฟนมาแล้วก็ไม่ยอมไปบวชก็คืนแฟนเขาไปก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมาแก้บนบ ค, คำถามจากคุณเป้กราบสอบถามพระอาจารย์การที่เราเชื่อเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เลขมงคลใช้เบอร์นั้นดีเบอร์นี้ไม่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นอวิชาหรือไม่ครับและเบอร์มีผลต่อชีวิตจริงไหมครับ ใช่อวิชาเพราะไม่ศึกษามงคลละสูตรเนี่ยคำว่ามงคล น, นี่มาจากมงคลละสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่ามีมงคลอยู่สามสิบแปดข้อด้วยกันวิธีที่จะทำให้ชีวิตเป็นมงคลมีสามสิบแปดข้อเดี๋ยวลองกดมือถือก็ไปอ่านดูสิเห็นมงคลสามสิบปดดูดูว่ามันมีบอกให้มี มีเลขโทรศัพท์เลขรถยนต์หรือเปล่าซื้อรถใหม่ต้องมีเลขมงคลซื้อโทรศัพท์ก็ต้องมีเลขมงคลโอ้มีลูกก็ต้องมีเลขมงคลนะ อะไรมงคลไปหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้อาวิชาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ศึกษามงค์คน ล, ลสูตรอวิชาก็คือความไม่รู้ความมงคลเป็นยังไงเพราะไม่ฟังพระพุทธเจ้าไม่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ฟังคําสอนของพวกที่มีกิเลสตันหาพวกที่มีอวิชาพวกมไม่รู้ความมงค้เป็นยังเพราะไมทธาไม่ฟังคสอนขงระพเาม่ฟนี่มกิเลสตันห่าพวกที่มีอวิชาก็คือควารู้ความวมงคลเอ็ ไม่เกี่ยวเลขไม่เกี่ยวห็นเดี๋ยววันเกิดเลขเราไม่มงคลก็ต้องเปลี่ยนเลขเส่ยะ <sh arp> ใช่ไหม <sh arp> เกิดปีนี้เลขไม่มงคลก็ เ, เปลี่ยนเลขได้ไหมก็เปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันที่ได้ไหมใช่ไหมทำไมไม่ไปเปลี่ยนเลขวันเกิดวันเดือนปีของเราอ่ะอยันชีวิตเราก็ไม่มงคลเพราะเลขวันเดือนปีเกิดหรือเปล่าถ้าเขาบอกเลขวันวันมันเกิดวันเดือนปีเกิดดีต้องเป็นสองสองสองสองนี่ เราเราก็ไม่เป็นสองสองสองสองเราจะทํำยังไงเราต้องไปเปลี่ยนหรืวเล่าใช่ไหมไม่คิดบ้างมันไม่มีเกี่ยวกัตัวเลขกับเลขเขามีไว้สําหรับหลักรลบคูณหารเพื่อให้เรารู้ว่าบ้านเลขที่เราอยู่ที่ตงไหนนี่นี่คือหน้าที่ของตัวเลขบอกให้รู้ว่าเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ตัวเลขใช่ไหมเวลาอยากจะรู้ว่าเงินเรามีเท่าไหร่ก็ไปเช็กดูบัญชียอดเช็กยอดเขาก็บอกมีเลขนี้แนี่ อยากจะรู้วันเกิดเ้าก็มีเลขอยากจะรู้ที่อยู่บ้างเ้าก็มีเลขให้เราอันนี้เป็นเลขเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นของใครอยู่ที่ไหนรถยนต์เขาก็มีเลขจะได้รู้ว่ารถคันนี้เป็นของเราเลขนี้เป็นของเราโทรศัพท์ก็เหมือนกันโทรศัพท์เบอร์นี้เป็นเบอร์ของเราเวลาใครเขาจะติดต่อเขาเราเขาต้องโทรเบอร์นี้อันนี้คือหน้าที่ของเลขมันไม่เกี่ยวกับมงคลหรือไม่มงคลใช่ไ มงคลอยู่ที่ว่าเราทำบาปหรือไม่ทำบาปนี่แหละมงคลถ้าไม่ทำบาปก็มงคลถ้าทำบาปก็ไม่มงคลต่อให้มีตัวเลขเด็ดๆขนาดไหนก็ไม่มงคลกระจายไหมคำถามจากคุณมงคลมานี่ก็ชื่อมงคลเนี่ยคนมงคลติดคุกก็มีนะเรามาดูคนในคุกที่มีชื่อมงคลมีหรือไม่มี กบนมัสการพระอาจารย์ครับขอความหมายของคำที่บอกว่านี่เนี่ยนายช่างเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปหมายถึงอะไรครับหมายถึงตันหาไงกิเลสอวิชชาที่มาหลอกให้เรามาสร้างภพสร้างชาติเนี่ยเรือนที่เราสร้างกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือภพชาติต่างๆทาตามกิเลส ปัญหาตัญหาก็ทำมาจากความหลงอวิชชาอาวิชชาไม่รู้ว่าบ้านแท้จริงอยู่ที่ตรงไหนบ้านแท้จริงอยู่ที่นิพพานเลยคิดว่าบ้านแท้จริงอยู่ในตปยภพอยู่ในการมาเกิดแก่เจ็บตายมันก็เลยหลอกให้เรามาสร้าง พบสร้างชาติกลับมาเกิดมาแก่อยู่เรื่อยๆพอพระทเจ้าได้ส่งคนพบบ้านที่แท้จริงก็รู้ว่าต่อไปมึงหลอกกูไม่ได้ลนะ่ะ ด, ดี๋ยวนี้รู้บ้านที่แท้จริงของกูอยู่ที่ไหนและเคืออยู่ที่นิพพานบ้านที่ไม่มีวันพังบ้านเอื่นนี้เดี๋ยวสร้างไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องพังเข้าใจไหมสร้างมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องตายไปเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ต้องตกสวรรค์ลงมาไปเป็นเปรตเป็นอะไรก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้ เพราะยังมีอวิชากิเลสตัณหาอยู่พอพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติทำลายอาวิชชาได้คนพบบ้านแท้จริงว่าคือนิพพานต่อไปกิเลสตัณหาจะมาหลอกให้มาสร้างบ้านมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลอกไม่ได้แล้วเพระพุทธเจ้าพบบ้านที่แท้จริงแล้วคือพระนิพพานคำถามจากข้างบนข้างบนเขานะครับกราบเรียนถาม พระอาจารย์ถ้าเรามีเพื่อนสนิทที่นับถือศาสนาต่างกับเราเขาเสียชีวิตถ้าเราทําบุญอุทิศให้เขาเขาจะได้รับส่วนบุญที่เราทําหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าเขาเขามาขอบุญจากเราหรือเปล่าะเอ อ, อเกิก็คนที่จะรับส่วนบุญของเราได้นี่ต้องเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในฐานะของขอทานคือ ขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญเลยหรือทำน้อยพอตายไปไม่มีบุญเป็นที่พึ่ง mm. ก็เลยต้องมาขอให้คนที่มีชีวิตอยู่ช่วยทำบุญส่งไปถ้าเขามาเข้าฝันหรือมาบอกว่าเขาเดือดร้อนอันนี้ถ้าเราทำส่งไปให้เขาเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่มาขอเราไม่มาบอกเราทำไปเขาอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ไม่ได้มามารอรับส่วนบุญแต่ ถ้าเราไม่แน่ใจเราอยากจะทำเผื่อไปก็ได้เวลาเราทำบุญแล้วเราก็อุทิตบุญนี้ให้เขาไปก็ได้ถ้าเผื่อเขารอรับอยู่เวลาที่เขามาขอบุญเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามาขอเราก็ทำเผื่อไปก็ได้ทุกครั้งที่เราทำบุญนี้เราสามารถอุทิตบุญให้แก่ผู้ที่รงรับไปได้แต่ผู้ที่ร่วรับเขาจะรับหรือไม่รับนี่อยู่ที่ตัวเขาว่าเขามารอรับหรือเปล่า บาที่เข้ามาไม่ได้ถ้าเขาไปติดคุกติดตารางถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็มารับบุญนี่ไม่ได้ถ้าเขาไปตกนรกก็มารับไม่ได้ดฉะนั้นะเขาต้องเป็นเปรดอย่างเดียวเขาถึงจะนอรับส่วนบุญนี่ได้นะที่ที่คนเป็ตไม่ได้หรอคะก็ได้ไงก็ซื้อของที่เราจะใส่บาสนี่ให้เขากินอะไรไง เขาก็จะได้ความสุขบุญก็คือความสุขคนเป็นต้องกินข้าวคนตายต้องกินบุญเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่คนตายก็เอาข้าวไปตั้งไว้ที่ลงศพหน้าศพแล้วครึ่งชั่วโมงก็เอาข้าวไปกินเองคนตายก็ไม่ได้ได้แต่คนคนคนเป็นนะคนเป็นอยากให้คนตายได้บุญก็ต้องทำบุญเอาข้าวใส่บาทไปแล้วก็อุทิศบุญได้ แต่ถ้ายังอยู่ยังกินข้าวได้อยู่ก็เอข้าวไปเขากินเลยไม่ต้องไปทําบุญเพราะบุญเขายังกินไม่ได้ตอนนั้นเขาหิวข้าวก็ไม่ได้หิวบุญแล้วตอนนั้นต้องให้ข้าวเขาคนเป็นเขาบอกเขาหิวข้าวเดี๋ยวผมจะไปทําบุญให้คุณเข้าใจไหมอาหารของคนเป็นกับคนตายไม่เหมือนกันอาหารของคนเป็นก็ต้องเป็นข้าวกข้าวปลาอาหารอาหารของคนตายก็ต้องเป็นบุญเพราะคนตายไม่มีร่างกายแล้ว ร่างกายที่จะกินข้าวไม่มีแล้วมีแต่ดวงวิญญาณที่จะกินบุญก็เลยต้องให้ต้องให้ใ ห, ให้ให้บุญไปแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็หิวข้าวก็ให้ข้าวเขากินถ้าก็อยากจะทําบุญก็เอาเอามาเสีพาเข้าไปวดัดพาเข้าไปใส่บาตรแต่ต้องเป็นเงินของเขาเองการจะทําบุญนี้ต้องเป็นของของเราเองถึงจะได้บุญไม่ใช่เอาเงินของลูกแล้วไปทําบุญนี้ ไม่ได้บุญเพเงินลูกก็เป็นเงินของคุณพ่อก็ให้ให้ลูกไปแล้วนี่เมื่อให้ไปแล้วก็ไม่ได้เป็นของพ่อแล้วพาะก็ได้บุญแล้วจากการให้เงินลูกไปแล้วถ้าเอาเงินกลับมาบุญนั้นก็ต้องคืนไปเข้าใจไหมนั้นก็ให้แล้วก็ทำบุญไปแล้วก็ไม่ต้องไปเอ า, เ, าเขาไม่ต้องไปทำอีกถ้าอยากจะทำใหม่ก็ต้องฟักกระเป๋าของตัวเอง ก็ให้ลูกอีกก็ได้ถ้าไม่มีเวลาไปไปทําเองก็ทําบุญกับลูกก็ได้ทําบุญกับภรรยาก็ได้ทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้คําถามจากข้างบนเขานะครับมีสามคำถามคําถามที่หนึ่งจิตดั้งเดิมของเราเป็นความว่างเปล่าหรือไม่คะจิตดั้งเดิมก็คือจิตที่มันสงบ เวลาจิตสงบจิต ท, ที่ไม่มายุ่งเกี่ยวกับร่างกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าจิตดั้งเดิมก็ตอนที่เราเข้าสมาธิจิตก็จะสงบกลับไปสู่สภาพของจิตดั้งเดิมแต่ยังเป็นจิต ท, ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังยิเป็นจิต ท, ที่มีกิเลสตัณหาเพียงแต่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ไม่ให้มันออกมาทำงานไม่เรียกว่าเป็นจิตโรยสุดไม่เรียกว่าเป็นนิพพาน เกศจะเป็นนิพพานได้ต้องรับการปฏิบัติธรรมต้องได้จากการชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจถึงจะเป็นเิศเป็นจิตของพาอาระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้คําถามที่สองครับทุกสิ่งบนโลกของเราเป็นมายาหรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ เ, ออเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งมายาเป็นความจริงตามธรรมชาติ มันเป็นอยู่ของมันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปดอกไม้วันนี้เป็นอย่างนี้อีกสองสามวันก็กลายเป็นเป็นดอกไม้เหี่ยวดอกไม้เฉาไปจะเรียกว่าเป็นมายาก็ได้มันหลอกเราเป็นภาพหลอกเรามันไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันอนิจจังหมดเป็นธรรมชาติของทุกของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีเกิดแล้วเดี๋ยวก็มีดับมีมาแล้วก็มีไป โผมาปั๊บเดี๋ยวอีกสองวันอาหาหยไปแล้วจะเรียกว่ามายาป่ะอันนี้ก็เรียกว่ามายาก็ได้จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติก็ได้มันก็เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีการมาการไปการเกิดการดับการเจริญการเสื่อมไปเป็นธรรมดาคําถามที่สการมองเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอย่างไรคะใช่เห็นความคิด อารมณ์แล้วปล่อยวางหรือเปล่าคะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเกิดเองไม่ได้สั่งให้มันดับไม่ได้เวลามันจะเกิดมันก็เกิดเวลามันจะดับมันก็จะดับสิ่งที่เราสั่งได้เพียงอย่างเดียวก็คือกิเลสตัณหานี่เราสามารถกำจัดมันได้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือมีธรรมะแต่ของอย่างอื่นที่เป็นธรรมชาติเช่น ป่าไม้ต้นไม้ใบรรยา้าสัตว์มนุษย์หรืออะไรต่างๆนี้เราไปไปสั่งมันไม่ได้ของที่มันมากระทบกับจิตใจเราเราไปสั่งมไม่ได้รูปที่มาทางตาเสียงที่มาทางหูเราไปสั่งแล้วไม่ได้ว่าให้เป็นเสียงชมอย่างเดียวได้ไหมไม่มีเสียงด่าไม่ได้รูปถ้ามีแต่สวยๆงามๆอย่างเดียวได้ไหมไม่มีรูปหน้าเกลียดหน้ากลัวให้ดูไม่ได้ใช่ไหมมันมาของมัน ฉะของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามก็ว่าไงเ อ, อ่อการมองเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอย่างไรเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมีเกิดมีดับมีมาไม่ไปสรุปก็คือเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอนิจจังเปลี่ยนแปลงทุกขังทำให้เราทุกข์เวลามันเปลี่ยนแปลงเพราะเราอยากให้มันไม่เปลี่ยน แต่เราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา ม, มันก็เลยต้องเราก็เลยต้องทุกข์เพราะเราไปอยากให้สิ่งที่เราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนให้มันไปอยากในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ให้มไม่เปลี่ยนแล้วเราทําไม่ได้เช่นอยากให้แฟนเป็นแฟนของเราไปตลอดพอวันดีคืนดีแฟนไปมีแฟนใหม่ขึ้นมาทําไงทุกข์เปล่าทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะความอยากให้แฟนเป็นของเราไปตลอดะแฟนก็ไม่เป็นของเราไปตลอด เขาเป็นอนัตตาคำถามจากข้างบนนี้นะครับกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับพอดีมีความตั้งใจจะลาออกจากงานประจาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ที่ทำได้แต่หัวหน้าอยากให้เราลองอยู่ทํางานต่ออีกหกเดือนแต่เรามีความไม่สบายใจและอยากออกจากงานแล้วครับพระอาจารย์มีความเห็นหรือแนะนำอย่างไรดีครับ ก็เป็นเรื่องของคุณที่ต้องตัดสินใจเอาเองเพราะว่าเป็นการเลือกทางเดินทางเดินทั้ ง, ทงหนึ่งก็เป็นทางวนอยู่ในวงเวียนทางหนึ่งก็เป็นทางออกจากวงเวียนคุณก็เลือกเอาคุณจะไปทางไหนถ้าคุณไม่แน่ใจไม่ไม่กล้าตัดสินใจคุณก็คุณก็ต้องทำไปตามที่คุณคิดนั่นแหละอันนี้ คิดให้ไม่ได้บอกตัดสินใจให้ไม่ได้เดี๋ยวมาด่าเราทีหลังว่พาพาออาจารย์เนี่ยผมต้องตกงานเห็นไหม <c oughs> ตายหาซื้อเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจเอาเองพระพุทธเจ้าครูบาาจารย์ท่านสอนทางให้รู้ว่ามีสองทางทางที่วนอยู่ในวงเวียนกับทางที่ออกจากนอกวงเวียนคุณอยากจะอยู่ในทางไหนคุณก็เลือกเดินเอาเองก็แล้วกัน คำถามจากคุณวัดขออนุญาตถามต่อจากเมื่อวานนะครับผมพยายามจะลองคิดว่าเวทนาสัญญาวิญญาไม่ใช่จิตตามที่พระอาจารย์บอกแต่พอคิดอีกทีสัญญาความจาส่วนหนึ่งก็มาจากสมองเวทนาก็มาจากเส้นประสาทส่งไปสมองวิญญาณก็คือเส้นประสาทจากตาหูจมูกลิ้นกายสู่สมอง เลยวนกลับมาคิดว่าสมองเป็นสังขารสัญญาวิญญาณอยู่เสมอครับเลยไม่สามารถคิดได้ว่าสังขารสัญญาวิญญาณมาจากจิตยอย่างเดียวครับรบกวนขออุบายในการพิจารณาด้วยครับคุณไปรู้ได้ไงว่าสมองเป็นสัญญาเวิทยาสังขารวิญญาณใครเป็นคนมาบอกคุณพิสูจน์ได้ยังไงว่าสมองนี้เป็นสัญญาเป็นความคิด คุณไปคิดของมันเองมันคนสมัยก่อนคิดว่าโลกนี้แบน嘛พอคิดว่าโลกนี้แบนมันก็เชื่อว่าแบนเลยใช่ไหมไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลมันกลัวจะตกออกจากนอกนอกโลกไปเพราะกลัวสุดขอบทะเลมันจะเป็นเหมือนขอบโต๊ะใช่ไหมเดี๋ยวถ้านั่งเรือออกไปสุดขอบโต๊ะมันก็ตกรอกตกออกนอกโลกไปอันนี้เป็นความคิดของคุณเองคิดไปเองแล้วก็เชื่อไปเองคิดว่า วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมาจากสมองคณเชื่ออย่างเงี้นั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงคนอยากจะไม่เชื่อคุณต้องนั่งสมาธิเท่านั้นอะ่ะถึงคณถึงจะเห็นว่าเวลาที่จิตสงบจิตมันแยกออกจากร่างกายแล้วเป็นยังไงจะรู้ว่าสมองร่างกายนี้มันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน อันนี้ก็พูดได้เพียงว่าต้องพิสูจน์เหมือนคนที่อยากจะพิสูจน์ว่าโลกแบนหรือโลกกลมก็ต้องกล้านั่งเรือออกไปให้มันสุดขอบฟ้าดูซิว่าสุดขอบทะเลดูซิว่ามันจะตกออกจากนอกโลกไปหรือเปล่าพอไปจริงๆมันก็ไม่ตกใช่ไหมเพราะมันโค้งมันเว้าไปเรื่อยเพราะมันกลมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันก็ต้องนั่งสมาธิ แต่นั่งสมาธิใจจะถอนออกจากร่างกายวิญญาณจะถอนออกจากตาหูจะบุกลิกนกายกลับเข้าไปสู่ใจกลับเข้าไปซีดที่ตัวรู้ตัวร่างกายก็จะหายไปจากการรับรู้ของใจเพราะตัวที่ไปรับรู้ทางร่างกายถูกถอนออกคื อ, อวิญญาณทางตาหูจะบุกลิกลกายถูกถอนออกมาเข้ามาเข้ามาสู่ใจ ก็เลยไม่สามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเยื่อกายได้คำถามจากคุณเคอาขอเรียนถามค่ะขณะโยมนั่งสมาธิก่อนที่จิตจะนิ่งสงบที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาบางอย่างเช่นเสียงลั่นปีตที่ไขสันหลังหรือบางครั้งลั่นที่กลางอกลั่นหนึ่งครั้งแล้วจิตก็สงบลง โยมมาพิจารณาภายหลังก็พบข้อสังเกตเองค่ะแต่ในขณะปฏิบัตินั้นไม่ได้ดึกถึงขอกราบเรียนถามว่าอาการพวกนี้เป็นปกติไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ถ่าจิตสงบก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรก่อนจะสงบจิตมันจะแสดงอาการที่ตรงไหนก็เรื่องของมันไม่สำคัญแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตต้อง คนจะสงบนี้มันมีอาการแปล ก, กๆที่ไม่เหมือนกันบางคนเหมือนกับถูกผีอำแล้วค่อยสงบอยู่ดีๆก็เหมือนถูกใครมายกทุ่มยกขึ้นมาแล้วก็ทุ่มลงไปในในพื้นแล้วจิตก็สงบขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของของจิตที่มันแสดงอาการก่อนที่มันจะเข้าสู่ความสงบมันขอวาดดวดลายส่งท้ายก่อน เหตนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอาการก่อนที่จิตจะสงบขอให้มันสงบก็ใช้ได้บางคนสงบแบบไม่มีอาการอะไรก็มีเรียบร้อยเข้าไปแบบไม่ดือ้อเด็กบางคนกาจะให้มันไปนอนด้านนี้มันต้องงอแ ง, งมันต้องอะไรของมันก่อนออกฤิดออกดีก่อนแนละ้วมันถึงจะไปนอนจิตบางดวงมันเป็นจิตแบบที่ดื้อดึงเวลาจะให้มันสงบแต่ละทีบางทีมันจะต้องมีการสแสดงบทบาทนิดหน่อย คำถามจากคุณเชอร์เบลกราบเรียนถามพระอาจารย์มีคนที่นับถือศาสนาอื่นเห็นหนูฟังธรรมะทุกวันเขาถามว่าเธอฟังทุกวันอยากแต่งงานกับเขาเหรอหนูเลยบอกว่าพระไม่แต่งงานหรอกเขายังมาวนเวียนถามว่าทำไมใครทำเขาเกิดมาละ่ะถ้าไม่ใช่พ่อแม่เขากินข้าวหรือเปล่าถ้ากินก็ต้องแต่งงานมีลูก จนหนูเบื่อไม่พูดกับเขาเลยเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยากพูดมากขี้เกียจอธิบายแต่รู้สึกไม่ชอบเขาเลยค่ะจะจัดการอารมณ์อันนี้ยังไงคะก็บอกว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนเราไปโรงเรียนก็มีครูมีอาจารย์สอนหนังสือเราครูอาจารย์ก็ไม่มีผัวมีเมียทุกคนบางคนเป็นโสดก็มีบางคนมีผัวมีเมียก็มีคนนี้มีได้หลายรูปแบบ คนเป็นโสดก็มีคนไม่เป็นโสดก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องมีผัวมีเมียกันทุกคนที่ฟังเท่ก็เป็นการเรียนหนังสือเรียนศึกษาหาความรู้ไม่ได้ฟังเพื่อจะไปแต่งงานกับเขาคนถามมันก็บ้ามันถามก็ถ้ามันเป็นคนอย่างนี้ก็อย่าไปคุยกับมันดีกว่ามันมาก็เส o o d บายขอตัวไม่ทำธุระของเราเสียเวลา เขาเรียกว่าอยากคบคนพาลเนี่ยนลักษณะของคนพาลคือคนโง่คนไม่รู้ภาษีภาษาพูดไปแล้วเหนื่อยอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจคำถามจากคุณโอวัตพระอาจารย์ครับแม่ผมอายุ80ปีครับผมพาไปทำบุญแล้วเวลาอยู่บ้านแม่ชอบดุด่าว่ากล่าวผู้อื่นด่าคนรับใช้พูดจาไม่ดีเลย จะทำอย่างไรดีที่จะให้แม่ไม่คิดมากฟุ้งซ่านด่าตลอดครับทุกวันเลยครับเกออ็ เ, เป็นมาตั้งแปดสิบปีแล้วคุณจะมาทำยังไงได้ก็ <c oughs> ปล่อยก็ทำไปเถอด <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วล่ะถ้าบอกก็ได้ก็บอกเขาว่าแม่อย่าไปดา่า <c oughs> เขาไม่ดีก็พูดได้แต่พูดแล้วดีไม่ดีเขาก็จะโกรธเราเกียดเราซะอีกอการไปบอกผู้ใหญ่นี่นต้องระวัง ถ้าผู้ใหญ่เขาไม่ยินดีฟังอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาจะด่าเราอีกเแทนที่จะให้เขาพูดดีเขากลับไปยุให้เขาพูดไม่ดีกับเราอีกเนีย่ยงั้นต้องระวังสอนพ่อสอนแม่ไม่ได้หรอกนอกจากท่านมาถามเราก็บอกได้อยู่ดีๆจะไปบอกพ่อแม่แม่พูดไม่ดีอย่างงี้กูเกิดมาก่อนเหมือนกูเลี้ยงมือนีึว่าตโตๆมึงต้องมาสอนกูหรอกองัฮน ก็ปล่อยท่านไปเถอะถือว่าเป็นกรรมของท่านเป็นนิสัยของท่านสันดานของท่านที่จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนท่านต้องรู้ตัวเองว่าเออกูพูดไม่ดีต่อไปนี้ต้องหัดพูดให้ดีหน่อ ย, อ, ยอันนี้ต้องเป็นในเรื่องของเขาเองหรือว่าถ้าเขาไม่รู้เขามาถามว่าลูกแม่พูดดีไม่ดีบอกได้เลยโอ้แม่พูดไม่ดีเลยต่อไปอแต่ถ้างพระแม่ไม่ถามอย่าไปสอนอย่าไปบอกอไม่ใช่ฐานะของเรา ก็อย่างมากก็พาไปฟังเทศฟังธรรมนี่ถ้าตอนนี้แม่ฟังธรรมอยู่ก็อาแม่ก็จะได้ยินได้ฟังอย่างนี้คนอื่นพูดได้อยู่แต่ลูกพูดไม่ได้คำถามจากคุณพรวิทยากราบนมัสการพระอาจารย์ระงับความโกรธยากจริงๆเจ้าคะ่ะรู้ตามตลอดดูแลบิดาอยู่ทำตามใจตนตลอด สร้างอากุศลแทนกุศลบ่อยครั้งรบกวนพระอาจารย์ชี้ทางให้ด้วยเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องอย่าไปมีความอยากความโกรธของเราเกิดจากความอยากพอเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธอยากให้พ่อให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่ทำตามที่เราอยากเราก็ไปโกรธเขาเห็นเราทำหน้าที่ของเราไป ส่วนอย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราทำถ้าเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาจะเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาก็เลี้ยงเขาถึงเวลาก็ให้ อ, อาหารเขาเขาจะกินไม่กินก็เรื่องของเขาอย่าไปโกรธเขาเวลาเขาไม่กินบางทีเขาไม่อยากกินแล้วเราไปบังข้าให้เขากินไปพอเขาไม่กินแล้วก็ไปโกรธเขาเพราะเราอยากให้เขากินเพราะเราอยากให้เขาอยู่แล้วอยากให้เขาตายก็ไม่รู้ อันนี้ก็อย่าไปอยากทำหน้าที่แบบไม่มีความอยากเหมือนหมอเหมือนพยาบาลทำหน้าที่แบบนั้นไปถึงเวลาก็ให้ยาถึงเวลาก็ให้อาหารส่วนคนไข้จะกินไม่กินก็เรื่องของคนไข้เราทำหน้าที่ของเราดูแลเขาแล้วเขาจะไม่เขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะไม่โกรธเขาคำถามจากคุณเดียกราบนรมัสการพระอาจารย์ครับ ผมมีสองคำถามผมเป็นไข้จะทําอย่างไรดีถึงจะได้ประโยชน์จากโรคที่เกิดขึ้นครับก็นั่งสมาธิให้ไข้มันมันหายไปเองนั่งแล้วให้เหงื่อแตกพักไปเลยพอเหงื่อแตกพักไปเดี๋ยวไข้ก็หายแต่เวลานั่งมันอาจจ ะ, ะทุกข์เพราะเกิดจากอาการเจ็บไข้ ก็ใช้พุโทโธพุโทโธประคับประคองใจให้นิ่งเฉยไม่ให้เกิดความอยากให้อาการไข้หายไปไม่ให้เกิดความอยากลุกหนีจากที่นั่งไปนั่งไปจนกว่าจิตสงบแล้วเดี๋ยวไข้ก็หายไปด้วยคำถามที่สองครับผู้ที่ปฏิบัติหรือพระสามารถกินน้ำชาได้ตลอดเวลาหรือไม่ครับ น้ำชาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีข้อห้ามดื่มได้ตลอดเวลาถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ควรดื่มมากไม่ควรที่จะไปติดน้ำชาดื่มให้มันเป็นยาเป็นประโยชน์ถ้าหยืมเป็นดื่มเป็นยาเสพติดก็อย่าไปดื่มมันทุกอย่างที่พระเจ้าให้ดื่มนี้ไม่ใช่ดื่มให้ติดเข้าใจไหม อนุญาตให้ดื่มได้ถ้าเป็นยาทีนี้ยาบางอย่างมันเป็นยาเสพติดไปโดยมนุษย์ตัวเช่นกาแฟน้ำชาพอดื่มเข้าไปแล้วก็ติดดื่มด้วยความอยากไม่ได้ดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปดื่มมันดื่มน้ำเปล่าๆจะดีกว่ามีไม่มีโทษมีแต่คุณประโยชน์เนี่ยเกิดอยากดื่มน้าชาเดี๋ยวเกิดไม่มีน้าชาให้ดื่มก็จะทุกข์อีกจะโกรธอีก ับเวลาชาหมดเวลากาแฟาหมดเนี่ยก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปขโมยชาขโมยกาแฟามาดื่มอีกนะงั้นอย่าไปดื่มมาให้แบบที่มันติดมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ดื่มถ้ารู้ว่าติดก็ต้องหยุดดื่มอย่าไปดื่มมันคําถามจากคุณวิราวรรณขอเรียนถามพระอาจารย์ ทุกๆวันเราควรพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะถ้าทำได้ก็ดีพรุทธเจ้าบอกให้คิดถึงลมให้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่างนี้ต่อไปมันจะได้ไม่ลืมความตายมันจะได้ไม่โลภไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่ถ้ารู้จะตายพรุ่งนี้ยังอยากจะได้นูน่นอยากได้นี่หรือเปล่าไม่อยากใช่ไอยากไปสวรรค์แล้วอยากจะทำบุญอยากจะไปนิพพานแล้ว น, นั้นนี่คือประโยชน์ของการระลึกถึงความตายจะทำให้เราเลิกโลกในลาบยศจรรเสริญในสิ่งที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้พอเรารู้ว่าตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เราก็อยากจะเอาบุญไปอย่างเดียวอยากจะไปนิพพานอย่างเดียว เราก็จะได้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติจริงๆเจ็ดวันก็ได้นิพานไม่เอาจริงอันนี้ปฏิบัติเน็ตเดี๋ยวไปกินกาแฟแล้วปฏิบติหน่อยเดี๋ยวไปเปิดดูเครื่องมือถือแล้วใครไลน์เข้ามาหรืออย่างเมืเ่อไหร่มันจะไปถึงอะไรอย่างเงี้ยวะตลอดทางมันรถไม่เป็นรถ ด, ด่วนเนี่ยรถ ด, ด่วนเขาไม่มีจอดแวะออกต้นทางก็ไปหยุดที่ปลายทางเลยอันนี้เป็นพวกจอดทุกป้ายเลย ดี่ไม่ได้ก็เสียซ่อมเลยต้องซ่อมเลยจอดแล้วก็ต้องซ่อมรถอีกไปไม่ถึงล้ตายซะก่อนคำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ครับวิญญาณที่ออกจากร่างกายตอนตายเป็นกายทิพย์หรือกายใสยนั้นคือดวงจิตใช่ไหมครับดวงจิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปด้วยมีขันธ์สี่ ม, มีขันเดียวที่ไม่ได้ไปก็เกิดรู ป, ปรขันคือร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายก็ไปเมนไปสุสารส่วนจิตก็เป็นดวงวิญญาณไปสวรรค์ไปอบายไปนรกแล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไปคำถามจากคุณพิทักษ์กราบเรียนสอบถามครับพระอาจารย์ จากเมื่อวานที่พระอาจารย์ได้ตอบคำถามกระผมในเรื่องของปัญญาอบรมสมาธิและให้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติขั้นต่อไปให้กระผมกระผมมีข้อสงสัยที่ว่าในการปฏิบัติพอจิตนึกถึงภาพความเป็นจริงของสภาพร่างกายที่ไม่สวยงามไม่น่าดูน่าชมสำหรับตัวผมเองรู้สึกได้ว่าจิตสงบ ได้เร็วกว่าการภาวนาพุทโธเป็นเพราะว่าเรามีสติที่ได้จากการภาวนาพุทโธมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับผมถือปฏิบัติในการภาวนาทุกวันครับก็อย่าไปสนใจเลยว่ามันได้มาจากอะไรขอให้รู้ว่าใช้แบบนี้แล้วจิตสงบก็ใช้ได้เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้ ไม่คิดก็เสียเวลาปปล่ า, าไม่ไม่สำคัญอะไรขอให้สำคัญตอนในปัจจุบันนี้ก็แล้วกันว่าทำยังไงให้จิตสงบก็แล้วกันถ้าเห็นอสุภะแล้วจิตสงบก็ใช้อสุภาไปถ้าดูลมหายใจแล้วสงบก็ใช้ลมไปถ้าพุโทโธแล้วสงบก็ใช้พุโทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นขอให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณตุ้มกราบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถาม เวลาที่เราหมดสติไม่รู้สึกตัวหรือหลับสนิทแบบไม่ฝันจิตเราไปอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เดิมไงจิตไม่มีที่จิตเป็นความรู้สึกนึกคิดไม่ต้องมีที่เหมือนกับร่างกายร่างกายมันมีขนาดมีความกว้างความสูงความแคบมันก็ต้องมีที่ตั้งแต่จิตไม่มีขนาดไม่มีความก้าความแคบความสูงความกว้างมันอยู่ตรงไหนก็ได้ มันก็อยู่ที่เราถึงเรียกตรงนั้นว่าเป็นโลกทิพย์ไปนั่นเองคือมันไม่มีที่มันไม่ต้องใช้ที่จิตไม่ต้องมีที่จิตจึงต้องมีร่างกายสําหรับจะได้มีที่ได้พอมีร่างกายจิตก็เลยบอกที่ตรงนี้เป็นของฉันนะห้ามนั่งนะเนี่อันนี้แต่ถ้าไม่มีร่างกายจิตก็ไม่ต้องมีที่เนาะหลวงปู่นี่ท่านละสังขารได้เลยได้ ถ้าสมมติท่านนอนเฉยๆงั้นถ้าท่านไม่หายใจทั้งกะละเสร็จถ้ามันยังอยู่ก็อยู่อะไปถ้าไปหยุดหายใจเองก็ไปฆ่ามันฆ่าร่างกายก็ไปฆ่าตัวตายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะไม่อยู่จนกว่ามันจะหยุดหายใจเองไม่ใช่เอาอะไรไปอุดจมกูกแล้วให้มันหยุดหายใจอย่นี้ก็เรียกว่าเป็นการฆ่าเป็นการทําบาปทําไม่ได้เป็นกิเลส เป็นความอยากให้ร่างกายตายนี่ก็เป็นกิเลสอยากให้ร่างกายอยู่ก็เป็นกิเลสต้องปล่อยให้มันอยู่ของมันายตายของมันไปเองจึงไม่เป็นกิเลสถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแะไม่ต้องรักษามันการไม่รักษามันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกิเลสเช่นไม่ไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ว um, ัดรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าเป็นกิเลสก็ตามเมื่ออยากให้มันหาย น, นี่ก็เป็นกิเลสหรื อ, อยากให้มันตายก็เป็นกิเลสนะแต่ถ้าปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปอันนี้ไม่เป็นกิเลสหมดเวลาพอดีไมเเ่เอาคำถามสุดท้ายครับคำถามจากคุณสิริธอนกราบนมัสการมีคำถามว่าการได้ฟังเสียงบทสวดมน ได้อะไรนอกจากการฟังแล้วจิตสงบมีสมาธิการมีปัญญากราบสาธุถ้าเราเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ก็จะได้ปัญญาเพราะบทสวดมนต์นี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะรู้ว่าท่านกำลังสอนอะไรเช่นบทมงคลสวดอเซวนาจารานางังบันติตา น, านันจเสวนาอันนี้ก็เป็นบทสวดอย่างหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจความหมายก็จะรู้อ่เอซวนาจะบาลานังว่าอยากคบคนผานบันดิตานั้นจะเสวนาให้คบบัณดิตเอตัมมังกรลมตตัมังเป็นมงคลอย่างยิ่งอ่ถ้าถ้าอยากจะมีมงคลเนี่ยให้คบคนฉลาดอย่าไปคบคนโง่พูดง่ายๆนี่คือความหมายของบทสวดมนต์ที่เราสวดกันเอาแล้วเนะี่ยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา